คุณฟังที่เคารพคะนี่คือรายการ ส, สัมสนีสนทนานะะออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว s n 1 0 6และสถานีวิทยุพรพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพูดถึง106นกี่ก็เป็นครอบครัวหนึ่งของช่องสนะคะเพราะว่าก็มีการเชื่อมต่อรายการหลายอย่างด้วยกันสำหรับสถานีโทรทัศน์ช่อง3ในช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาต้องถือว่า เป็นสถาบันที่ได้ทําประโยชน์ได้ช่วยเหลือคนได้อย่างทั่วถึงมากจริงๆและยังเห็นคนจํานวนมากเลยนะครับเพราะช่วงเนี้ยเขาจะทํางานไม่ค่อยสะดวกกันเท่าไหร่แทนที่จะนั่งอยู่กับบ้านเปล่าๆก็ออกไปกับคณะเนี่ยไปช่วยเหลือคนอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอานุโมนาอย่างยิ่งมาถึงช่วงเวลาของเราแล้วล่ะคะ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการที่พยายามนะคะ จะให้ท่านทั้งหลายได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่ละวันไปโดยไม่เสียโอกาสที่จะนํำอธรรมะของพระศาสดาของเราจากพุทธวจนะของพระพุทธเจ้าไปใช้นะคะและผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างกับพวกเราก็คือพระภัยบุตอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศดอนธานีช่วงนี้เปิดธรรมที่ถูกติดด้วยพุทธวจนะค่ะนมัดการค่ะท่านคะยานบอลค่ะก็มาพบกันอีกวันหนึ่งดีฉันเข้าใจว่า คนที่ฝักใฝ่ในธรรมะอยู่แล้วแต่มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาถ้ า, าว่าได้ฟังการที่ท่านเพรบุนชี้ให้เห็นอยู่เสมอนะคะว่าไม่ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรก็นำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เขาคงจะมีความสบายใจมากยิ่งขึ้นใช่ประเด็นประเด็นของการปฏิบัติธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องไม่มีเวลาหรอกคุณยมติวจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราไม่รู้ว่าเราจะทำยังไง อย่างสมมติว่าคุณบอกคุณฟังทำตอนเช้าในช่วงรายการสันสนิสันทนาเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยเสร็จแล้วที่เหลือโอ้ชันฉันไม่มีเวลาหรอกชันต้องไปทํางานจริงๆไม่ <c oughs> ไมใช่ถ้าบอกคุณอยู่ที่ทํางานเน่ยคุณทํางานอย่างดีและคุณไม่ด่าเพื่อนร่วมงานคุณคุยกับเขาอย่างดีมีความเมตตา ม, มีความอดทนนั่นแหะคุณมีทํามาแล้วคุณปฏิบัติทํามาแล้ว <c oughs> อืค่ะเนี่ยค่ะเข้าเรื่องเลยคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ฉันเพิ่งได้มีโอกาสไปร่วม งานแต่งงานซึ่งเจ้าภาพเขาก็ให้ความสำคัญของเราระดับที่เชิญเราขึ้นไปพูดข้างบนเวทีนะคะดิฉันก็มักจกะเหมือนกับไม่ค่อยจะสันทัดในเรื่องการจะพูดในลักษณะที่ว่าวคน<ด>เป็น<อ>สามีพัญญาต้องอยู่ร่วมกันอย่างไรอะไรก็อาศัยหลักของพระพุทธองค์วันนั้นก็นึกอะไรไม่ออกมันกระทันหันดิฉันก็เลยจับฉวยอันนี้ค่ะว่าเรื่องของความอดทน นะคะเรื่องของความเมตตา<ช>เป็นเรื่องสำคัญคือเอาพุทธวจนะบทที่ว่ารักษาผู้อื่นนั่นเลย่ะคะพ อ, อได้ไหมคะได้ถูกต้องเลยแล้วมันก็จะไม่หนีจากหลักของศีลสมาธิปัญญาค่ะเพราะว่าคนจะอดทนได้เนี่ยจิตคุณต้องมีกำลังนั่นคือสมาธินั่นเองสมมุตินะคะมีคู่บ่าวสาวเนี่ยอาจจะศรัทธาพระพุทธเจ้ามากมก็เลยมาอาราธนาพระคุณเจ้าคือท่านเพรบูญนี่แหละไป ในงานแต่งงานแต่อาจจะแบบว่าเป็นพิธีสงฆ์นะคะจะแล้วก็อขอโอกาสให้เหมือนกับแสดงธรรมสั้นๆให้กับคู่บ่าวสาวเนี่ยธรรมะนั้นจะออกมาในลักษณะใดค่ะเขาเขาแต่งงานกันแล้วใช่ไหมสมมติว่าเขาแต่งงานในงานที่เขานิมนต์พระไปสวดเป็นสิริมงคลอะไรก็แล้วแต่ที่เขามักจะมีกันนะนะคะสําหรับโบราณ น, นะสมัยปัจจุบันนี้บางบ้านอาจจะไม่ทําก็ได้อืแล้วเขาก็บอกว่าขออรัตนาพระคุณเจ้า สแสดงธรรมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คู่บ่าวสาวค่ะอืมอันนี้ต้องก่อนที่จะพูดนะต้องทําความเข้าใจนิดนึงถ้าผัวเขายังไม่แต่งงานกันเนี่ยถ้าเราไปบอกว่าเออคุณเออคุณมาชอบกันนะอันนี้เราจะเป็นอาบัติเหมือนว่าถ้าเขามาชอบกันจริงๆแล้วแต่งงานกันไปเนี่ยเราจะเป็นอาบัติหนักทีเดียวต้องไปติดกุ้งจริงหร<ะ>ือเปใช่ใช่แตคนจริงพระทําหน้าที่นี้ไม่ได้เหรอคะก็พระเห็นลูกศิษย์ฝ่ายชายเป็นคนดีด เ, เห็นลูกศิษย์ฝ่ายหญิงก็เป็นคนดีหน้าจะดูไดีแล้วดีไม่ได้เลย คือคือถ้าอาจมาจะแนะนำนะถ้าคุณยังเป็นโสดใช่ไหมแล้วคุณยังไม่มีคู่นะแล้วคุณไม่สามารถหาคนที่มีศีลมีใจค้มีศรัทธามีปัญญาได้นะคุณเป็นโสดตลอดชีวิตดีกว่าแล้วถ้ากลัวว่าตายแล้วจะไม่มีใครเผามาวัดเดี๋ยวจัดการให้นะแต่ถ้าคุณจะแต่งงานกันแล้วเนี่ยแต่งงานไปก่อนนะแต่งงานไปเรียบร้อยล้ะอยู่กันให้รอดกันแล้วกันแล้วถ้ามีปัญหาอะไรในชีวิตคู่แล้วจะมาบอกว่าจะเลิกนะอย่ามาถามเราเพราะเราจะไม่บอกให้เลิก คือถ้าแต่งกันไปแล้วเนี่ยจะมาบอกว่าเลิกดีไหมท่านอาจารย์โอ้ยเราบอกให้เลิกไม่ได้เลิกเราก็บอกให้เลิกเราก็จะเป็นอาบัติอีกเป็นอาบัติปจิตตีถูกปรับด้วยความดีงั้นสงสัยจะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสวางเป็นมาตรฐานวินัยไว้เลยหรื อ, อยังไงสำหรับนะใช่มี<ถ>มีกี่เรื่องคะที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ใช่ไหมก็3 <ฆ>เรื่องอันดับแรกได้จากเ บ, บ, บาไปก่อนเบาไปก่อนนี่คือถ้าเขาเป็นคู่กันอยู่แล้วแต่งงานก็เรียบร้อยแล้วไปบอกให้เขาเลิกกันแล้วเขาเลิกกันจริงๆคุณเป็นอาบัตปจิตตี อา บ, บัตที่ถูกปรับด้วยความดีความดีของเราจะลดลงแล้วก็ถ้าผอกว่าเขายังไม่แต่งงานกันบอกให้เขารักกันแต่งงานกันนะจนเขาแต่งงานกันเสร็จแล้วเนี่ยเราเป็นอา บ, บัตหนักถูกต้องไปติดคุกพระนี่คือสังกาธิเศตแต่ถ้าเราเองไปทําเองไปมีภรยาเองคุณเป็นอา บ, บัตประชิกเลยออกจะความเป็นพระมันจะหนักไล่กันไปอย่างนี้ เ, เพราะฉะนั้นถ้าเขาแต่งงานกันแล้วแล้วก็จะเชิญให้เราไปให้อววานกับคู่บ่าวสาวใช่ไหมเราก็จะต้องพูดเรื่องทิศ6กเท่านั้นเอง ที่ถกว่าสามีนะมีหน้าที่กับภรรยาอย่างไรบ้างนะเช่นว่าไม่นอกใจแล้วก็ซื้อเครื่องประดับให้ให้เป็นผู้ดูแลการงานในบ้านแล้วเราก็ด้วยการไม่ดูหมินด้วยการยกย่องเธอั้นถ้าภรรยาคนไหนได้รับการดูแลจากสามี5อย่างนี้นะต่อให้สามีเนี่ยไม่ได้ไปวัด ไปตักบาตรก็ไม่ได้ไปตักบาตรไม่ได้คุยธรรมะกับเราเลยแล้วก็ไม่เคยไปเข้าคอร์สที่ไหนๆขอให้เขาเป็นมีห้าอย่างเนี่ยพอแล้วเขามีธรรมะแล้วภนะรรยาบางคนนะ่ะคุณยมติว๋ว <c oughs> อยู่กันไปอยู่กันไปเนี่ยโอ้ยก็ามาบน่นให้อดมาฟังว่าสามีไม่ใส่บาตรสามีไม่มาเข้าคอร์สด้วยแล้วสามีก็ไม่คุยธรรมะเลยค่ะ <c oughs> แล้วแล้วแต่ว่าเขาไม่ไม่เคยด่าเราแล้วเขาก็ซื้อเครื่องประดับให้บ้างแล้วเขาก็มอบการงานในบ้านให้ ต้อดีมากแล้วนะสามีแบบเนี้ยอืมปัญหาไม่ได้ง่ายๆนะอันนี้ท่านเหมือนกับว่าบอกว่าหน้าที่ของสามีใช่ไหมคะใช่ใช่ส่วนภรรยาก็จะมีหน้าที่ของภรรยาด้วยน ะ, ะอันที่หนึ่งก็คือว่าไม่นอกใจละ่ะนะอันที่สองนี้ก็ดูแล ก, กิจการงานอย่างดีอันที่สามเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญคือสงเคราะห์คนข้างเคียงนะจะพ่อผัวแม่ผัวคนทุกคนในบ้านเราต้องจัดการดูแลให้ดีแล้วก็รักษาทรัพย์ที่ได้มา <C HA> แล้วก็เรื่องลักษณะนี้ก็จะทำให้สองคนเนี้ยไม่เป็นภัยซึ่งกันและกัน <C HA> คุณทั้งสองคนจะไม่เป็นภัยซึ่งกันและกันถ้าหน้าที่ของคุณครบอย่างนี้นะพระรูาบอกว่าจะทิศเนี้ยคู่เนี้ยจะไม่มีภัยเกิดขึ้นค่ะคือ <C HA> คือดูเหมือนกับว่าถ้าเรื่องที่ตรัสเอาไว้สำหรับสองฝ่ายเหมือนกันก็คือเรื่องไม่ให้นอกใจซึ่งกันและกัน <C HA> ใช่นะคะส่วนสามีเนี่ย มีหน้าที่ซึ่งดิฉันคิดว่าภรรยาเน่ยตอนนี้เราไปทวมเลยพุทธเจ้าสั่งไว้เลยว่าเธอจะต้องซื้อเครื่องประดับให้ฉันมีบางคู่แต่งกันมา20ปีค <c oughs> ุณยมติ๋วแล้วก็ไม่เคยซื้อเครื่องประดับให้ภรรยาเลยยอกแบะนอกจากแหวนแต่งงานวงแรกแค่นั้นเอง <c oughs> โม่ไม่ถูกไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกท่านคาวง <c oughs> เดียววงนั้นไม่ได้เลยคะก็ถือว่าเป็นวงสําคัญแล้วนะคะ <c oughs> คือมันต้องมีอย่างอื่นด้วยไงค่ะอย่างอื่นนี่หมายถึงว่าหลังจากแต่งงานกันมาแล้วอันนี้เป็นพุทธวจนะอันนว่ามอบเครื่องประดับให้ ดิฉันก็ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะใครที่กําลังคิดจะแต่งงานกันเนี่ยแล้วก็ความตั้งใจแรกความตั้งใจเดิมและคิดว่าความตั้งใจนี้มันจะอยู่ตลอดไปบนโลกของอนิจจังก็ตามทีนะคะก็คงจะต้องยึดเอาคําสอนของพระาศาสดาเพราะว่าไม่ต้องไปพิสูจน์ต่อแล้วไงคงไม่ต้องไปวิจัยเหมือนงานวิจัยในเรื่องอื่นๆที่เขาชอบวิจัยกันจังเลยวิจัยได้แต่ก็จะได้ผลอย่างที่พระเจ้าบัญญัติไว้เหมือนเดิมเพราะพระพุทธองค์เนี่ยบัญญัติไว้มาตั้ง เกือบสามพันปีแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาเนี่ยคําสอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมพระพุทธเจ้าบอกว่าคําสอนเนี้ยมีเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆแต่ว่าคนที่มาค้นพบอีกครั้งหนึ่งก็คือพระพุทธเจ้าสมณโคดมนั่นแหละค่ะก็ลองคิดดูทบทวนอีกครั้งได้ไหมคะถ้าเป็นสามีต้องไม่นอกใจพัญญาซื้อเครื่องแตดับให้ให้ดูแลงานบ้านเหรอคะให้มอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้อ๋อมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้เอื อันนี้ก็หมาาายค ว, ว่หลายคนบอกเอาล่ะเดี๋ยจะจดไปเลยมอบความเป็นใหญ่ในบ้านให้ห<ช>มายความว่าไงนะคะก็กรณีนี้อาจจะมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้เนี่ยอาจจะให้ดูแลการงานสักอย่างใดอย่างหนึ่ง ใ, <ช>ในในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได้แต่ถ้าในกรณีของภรยาเป็นคนทํางานใช่ไหมก็จจะมอบอ่าอย่างพูดสามีมีบริษัทการค้าอะไรเงี้ยก็มอบความเป็นใหญ่ในสักส่วนใดส่วนหนึ่งให้ให้ภรยาดูแล ถ้าไม่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางบ้านก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ได้แหละอันนี้พระเจ้าก็ไม่ได้ฟิกส์เอาไว้ข้อต่อไปก็ยกย่องนะ่ะไม่ดูหมิ่นเธอไม่ดูหมิ่นแล้วก็ยกย่องเธอค่ะห้าอย่างนี้แล้วก็ยกย่องส่วนพัญยาต้องไม่นอกใจสามีไม่นอกใจสามีดูแลกิจการงานอย่างดีที่สุด อันนี้เป็นสัมพันธ์กับข้อที่บอกว่าสามีมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ก็ดูแลงานนั้นให้ดีที่สุดใช่อย่างที่สามก็สรงเคราะห์คนข้างเคียงอย่างดีอืมคนข้างเคียงอย่างดีนะคะอย่างถัดมาก็ตามรักษาทรัพย์ที่ได้มาอันเนี้ยพูดจริงๆถ้ามองย้อนกลับมาในครอบครัวของคนไทยอืในอดีตเนี่ยก็มักจะเป็นแบบนี้นะคะอือในก็เกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อเนี่ยก็มอบให้คุณแม่ในรักษาทรัพย์ก็ ก็ดีเนาะก็ทําตามที่พระเจ้าบัญญัติทีนี้ ค, คนคนที่เขาจะแต่งงานเนี่ยคุณถ้าคุณจะแต่งงานนะแล้วคุณต้องดูนะว่าคุณต้องทําตรงนี้ให้ได้นะทั้งสองคนนะถ้าคุณคิดว่าคุณจะแต่งงานแล้วคุณโอ้ยฉันทําอันนี้ไม่ได้หรอกคุณคุณอย่าแต่ง อ, อ่าไม่งั้นมันจะมีปัญหาค่ะบางนนคนบางคนแต่งก็เพราะว่าโอ้ยนี่ดูสิคนเนี้ยสวยๆคนนี้ล้อหล่อฉันหลงในรูปร่างของเธอโอ้ยไม่ต้องพูดถึงไม่พอสิบปีหรอกแค่ห้าปีมันก็เปลี่ยนไปแล้ว ้ความงามเดิมๆเดิมจะไม่อยู่เพราะ้นถ้าเราจะเป็นหลงกันแค่เฉพาะรูปร่างเนี่ยจะอยู่ไม่ยืดแต่เราต้องดูคุณธรรมที่อยู่เบื้องหลังด้วยค่ะท่านฝั่งที่รครบท่านกำลังฟังรายการสรมสน์สนทนาในวันนี้นี่เป็นภาพพิเศษ <laughs> นะคะเป็นภาพที่อขอขอคำสอนขอธรรมะสำหรับคู่สมรส <laughs> ซึ่งช่วงนี้เนี่ย <laughs> เากลังแต่งงานกันเยอะนะคะ ม, มีไมในช่วงนี้มีเยอะอยู่เหมือนกันเนาะ ก็เห็นเขาแจกการ์ดกันเยอะนะคะ oh. mm hmm. อ๋ออ่าดิฉันเข้าใจว่าเรื่องงามยามดีของการแต่งงานมันจะเกิดในเดือนคู่บ้างอ๋อ oh. อันนี้หมายถึงความเชื่อของคนนะคะแล้วก็ท่าในประเทศไทยเนะี่ยเขาบอกว่าอากาศเย็นๆนมันดีอ oh. จริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบรู้แต่ว่าช่วงนี้ก็การ์ดเยอะแล้วยังมีพวกตกค้างจากช่วงตอนนัน้นท่วนะคะคือเหมือนกับว่าแจกการ์ดกันไปแล้ว ก็จําเป็นจะต้องเลื่อนออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะนะคะแล้วก็คนที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งจะขึ้นเวทีพูดดิฉันเข้าใจว่าเนี่ยถ้าจะพูดแล้วแบบให้เป็นคําที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับคู่บ่าวสาวยกเอาคํำพระพุทธเจ้าไปอวยพรใช่ใชแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องการแต่งเนี่ยอาตมาจึงต้องจะพูดถึงตรงนี้ที่หนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับการเลิกก็ ค, คือมีหลายคู่อย่างน้อยอาตมาโดนสองครั้งละที่สามีภรรยาเขาเพืน่พนเพืบุญคะขอโทษนะคะอื มันไม่หายแล้วมันเป็นมากขึ้นอ๋อห้าสี่สามสองหนึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการเป็นคู่นะก็ต้องขอพูดถึงเรื่องของการเลิกด้วยนิดหนึ่งเพราะว่ามีอย่างน้อยสองคู่ละที่มาหาอาตมาคือคือฝ่าย ไ, ไม่ได้มาพร้อมกันนะคือสองคนนี้เขาก็จะเลิกกันละจะจะหย่าล้างจากกันก็มาถามเราว่าจะหย่าดีไหมจะ เ, เรียกกี่เปอร์เซ็นต์แล้วจะใช้ชีวิตยังไงต่อไป น้อยมีสองคู่นะแต่คนที่มาถามเราว่าจะแต่งงานดีไหมเนี่ยมีแค่คนเดียวอืมอ่าเพราะฉะนั้นสัด ส, ส่วนเราเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วแต่ยังไงจํานวนหนึ่งกับจํานวนสอเนี่ยมันก็ยังเป็นจํานวนที่น้อยอยู่นะอ่าทีนี้พูดถึงการเลิกเนี่ยผูรู้จับอกว่าอ่าคือผู้รู้จไม่ได้พูดว่าควรจะต้องเลิกหรือไม่ควรจะต้องเลิกโดยผลแพ้นชนะแต่ถ้าดูดูแล้วเนี่ยอ่า พระเจ้าบทบัญญัติของพระสงฆ์นะว่าเอ๊ะถ้าเขามาถามว่าควรจะเลิกดีไหมเราบอกยุให้เขาเลิกกันเนี่ยคุณเป็นนาบัติเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรเลิกถ้าคุณแต่งกันแล้วคุณต้องอดทนแล้วก็อยู่กันให้ได้จบท่าครับมีคําถามแย้งเลยนะคะอืในกรณีที่ตอนก่อนแต่งกะตีนะคะอพอหลังจะแต่งปุ๊บภรรยาแปรสภาพไปเป็นกระสอบทรายของสามี <c oughs> ซึ่งมันหนักหน่วงคะ <c oughs> ่ะอย่างนี้ไปหาพระหลงหลวงพี่ค่ะ <c oughs> มันซ้อมอยู่ทุกวันเลยค่ะ เ อ, อแสดงว่าตอนตัดสินใจเนี่ยคุณไม่ได้ดูในคุณธรรมที่เขามีคุณหลงลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะโกโรธโกโรธแต่ง่ายงคนนี่เพราะประชดคนนู้นหรือเปล่าลำเอียงเพราะกลัวลำเลียงเพราะเกลียดหรือลำเอียงเพราะกลัวนะมันมันมีได้สเหตุเท่านั้นเองแสดงว่าคุณทําสร้างกรรมกิเลส น, นะไอ้สี่อย่างเนี่ยเป็นกรรมกิเลสคุณทํากรรมไม่ดีคุณต้องรับผลจะให้เราพูดยังไองอย่างนี้หลวงพี่ก็ยังแนะนําว่าเลิกเทโยมไม่ได้หรอคะไม่ได้ แต่มันมีช่องอยู่ตรงนี้ไงคุณยมติว๋วที่พระเจ้าพูดถึงการออกจากเรือนมาเป็นบวชมาบวชไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนใน่างสมมตพระอย่างเงี้ยคุณมาเป็นจะมาบวชเป็นพระคุณต้องเลิกจากเมียนนะคุณต้องเลิกจากบ้านนะคุณต้องออกจากพ่อแม่นะออกเรือนจากออกจากเรือนมาบวชพราะนัถ้าอจะมาจะมองเนี่ยถ้าคุณจะเลิกนะจิตคุณต้องสูงขึ้นอย่าให้ต่าลงเข้าใจไหมหมายความว่าอะไรที่เป็นกุศลธรรมเราทํา หมายควมามว่าเอาพูดให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งสมมุติว่าถ้าเราเลิกแล้วคุณจะไปหาแต่งงานใหม่ไปหาทําอะไรที่มันไม่ดีไปหาทําอะไรทำแล้วจิตเราเป็นอกุศลอย่าทําให้ทนอยู่ต่อไปค่ะแต่ถ้าออกมาแล้วเลิกแล้วจิตเราจะเป็นกุศลออกมาแล้วเลิกแล้วจิตเราสูงขึ้นคุณมาถือศีลแปดคุณมาอยู่วัดคุณมาปฏิบัติธรรมคุณออกบวชมาเลยแล้วก็มาเป็นพระเลยเอหมายถึงผู้ชายนะอันนี้ทําได้อท่านพญานุค่ะก็ฟัง ท่านได้สอนมานานพอสมควรทีเดียวเห็นว่าอานิสง์ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยค่อนข้างมากเนเก<อ>ิดปัญหาทางออกไม่ได้ปฏิบัติธรรมช่วยไหมคะโอช่วยสิเพราะว่าจะทำให้จิงของเรามีกาลังในการที่จะคิดหาทางออกอย่างน้อยเราก็จะอดทนได้มากขึ้นนะแล้วก็ค่อยๆแก้กันไปตรงนี้มันแหม่เวลาคนตัดสินใจอะไรไปอย่างหนึง่งมันอาจจะถูกบ้างผิดบ้างใช่ไหม ทีนี้ว่าเวลาเราต้องแก้ปัญหาเนี่ยจิตมันต้องมีความสบายอะ่ะจิตมันต้องมีกําลังเราถึงจะคิดอ่านแก้ปัญหาได้บางทีมันเส้นผมบางภูขเขาน้ํำพึ่งหยดเดียวก็ทําให้เป็นเรื่องขึ้นมาอืคก็ให้เจริญสติจะได้มีสติในการที่จะไปประกอบการคิดในการดําเนินชีวิตต่อไปอย่างนั้นใช่ไหมคะมค่ะท่านพิบุลค่ะที่ฉันไม่น่าผ่าท่านเลี้ยวเมื่อที่คําถามแบบนี้ก็กลัวเหมือนกันโยมจะไปหาพระมากขึ้นในเรื่องแบบนี้ <laughs> โยมควรจะคิดกันเองบ้างใช่ไหมคะแต่ให้ผู้ทวจรณะนิวายไป<ะ>ถามพระพระก็คงตอบเหมือนกันก็ตอบเหมือนอย่างเป็นคือเป็นเป็นคําตอบที่เป็นมาตรฐานเลยสําหรับพระเลยนะคะออค่ะเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผุทวจนะพระสงค์น้อนมนำเอาสิ่งที่พระพุทธองค์ตราสเอาไว้มาบอกกับพวกเราทุกคนในวันนี้กะหวังว่าคนที่กําลังมีชีวิตคู่คนที่กําลังจะแต่งงานไนะคะคนที่แต่งงานแล้วมีปัญหา กนาที่จะได้ธรรมะไปประกอบการตัดสินใจการดำเนินชีวิตต่อไปเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะจากพระเพรลุญอภิปุโ น, โนในวันนี้เรามาในมหการขอบพระคุณท่านพร้อมกันค่ะน้ำมการมกัท่านคะเชี่ยนพานการเพื่อฟังที่ครบครันและนีก็คือทั้งหมดของรายการสร น, นสนีสนทนาแต่ว่าก็ไม่หมดซะทีเดียวเพราะว่าต้องบอกให้ท่านถามคำถามมาด้วยนะคะ f e e l t h a m a c o m 1 0 6 กับต้องบอกให้ท่านได้ขอหนังสือมาด้วยช่วงน้ําท่วมเนี่ยอาจจะทําให้รับหนังสือชา้าไปนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ดิฉันก็ได้จัดส่งหนังสือพุทธวัจนะนั้นไปให้กับสถานีเพื่อให้สถานีส่งต่อให้ท่านทั้งหลายแล้วนะคะและก็ยังจะมีมอบให้กันไปเรื่อยๆวันละสามเล่มท่านละ1เล่มก็คือมี3าท่านจะได้รับโทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์ซึ่งท่านสมคันสามมาได้ก็คือ0 2นย์สองสนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสวัสดีจากการน้อมนำเอาพุทธวจะนะไปใช้พุทธวจนสวัสดีค่ะ